ทีนี้ต่อไปนะส่วนการขจัดกิเลสแห่งอริยผลและปริยัติแม้ทั้งสองย่อมได้โดยโดยอ้อมอ่ะนะโดยอ้อมปริยายนี่แปลว่าโดยอ้อมเพราะอริยผลเป็นไปโดยเป็นคุณตามสมควรแก่มรรคคือหมายถ้ามรรคไหนเกิดผลนั้นก็เกิดถ้าโสดาปฏิมรรคเกิดโสดาปฏิผลก็เกิดถ้าสกาธาคามิมรรคเกิดสกาธาคามิผลก็เกิดเป็นต้นนั่นแหละ ด้วยการสงบประงับกิเลสทั้งหลายส่วนปริยัตินั้นเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลและนิพพานมรรคผลนิพพานเนี่ยนะอาศัยปริยัตเป็นเป็นทางที่สําคัญมากถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะตัวนิพพานเป็นธรรมชาติที่สงบประงับจากขันธ์ทั้งมวลทีนี้ธรรมชาติที่สงบประงับจากขันธ์ทั้งมวลเนี่ยที่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยมรรค มรคนั้นเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเป็นอย่างมากจึงจะเกิดได้พระองค์ตรัสว่าในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมากที่สุดนั่นคือมรเนี่ยนะมรเนี่ยถูกปัจจัยปรุงแต่งมากที่สุดเช่นว่ามรเนี่ยมีองค์เท่าไหร่ล่าโดยองค์นะมีองค์แปดแล้วสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะมีองค์ประกอบอีกเท่าไหร่ะบริขารของสัมมาทิฏฐิ แล้วสัมมาสังกปะละ่ะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสาัมมาชีววายามาสติสมาธิเนี่ยนะแล้วกว่าทั้งหมดนั้นจะมาต้องมาประชุมด้วยกันเนี่ยนะมาจากเหตุเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นอริยมรรคนี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมากที่นี้มรรคนั้นน่ะจะเกิดขึ้นได้ถามว่าอาศัยอะไรก็อาศัยการปฏิบัติธรรมหรือการบำเพ็ญไตรสิกขาแล้วไตรสิกขาที่จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยอะไรก็ต้องอาศัย พระปริยัติธรรมนันพระปริยัติธรรมนั้นเป็นคำสอนที่ชี้แจงจำเนกแยกแยะว่าอย่างนี้เป็นศีล น, นะอย่างนี้เป็นสมถะนะอย่างนี้เป็นวิปัสสนาถ้าไม่อาศัยประยะิยัตนี้เป็นไปได้ไหมที่เราจะเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องออถ้าตั้งคาถามว่าประิยะัตกับปฏิบัตอันไหนสาคัญกว่ากันปริยัตเนี่นะยะ น, นะในฐานะคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติในในคือสิ่งที่เรากําลังทําอยูอ่ถ้าจะให้ถูกการปฏิบัติของเราควรเป็นไปตามคําสอนของ<ม>พระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราให้คําสําคัญกับปฏิบัติอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจปริยัตการปฏิบัตินะั้นที่เขาว่าปฏิบัติไม่ผิดหรอกเขาปฏิบัติจริงๆแต่ของใครอ่ะศาสตร์อันก็ของท่านผู้นั้นไปใช่ไหม เช่นก็มาอยากจะปฏิบัติก็ไปปฏิบัติเรื่องราวของเราไปอะไรไปเอา้าก็ไม่เถียงว่าว่าไม่ใช่ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติจริงๆริงแต่ของใครอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าในฐานะที่เราเนี่ยเวลากล่าวคําทั้งหลายเราจะกล่าวว่าทำมังสารนังฆะฉามิในฐานะเอาพระธรรมเป็นสา ร, รนะพระธรรมก็มีสิบใช่ไหมมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งปริยัตอีกหนึ่งรวมเป็น10 ข้าพเจ้าจะขอเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าทําเป็นสารณะเราก็ไม่ได้ว่าอย่างนี้ซะหน่อยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เราปฏิบัติอย่ายึดมั่นถือมั่นนะถ้ายังไม่ถึงฝั่งคือโลกุตระรำอย่างแพ้จริงเนี่ยนะยึดได้ไหมในสิ่งที่เราปฏิบัติศีลเนี่ยเป็นอนัศีลที่รักษาเป็นสัจจะอะไรเป็นสัจจะอะไรคุณลาวันเป็นทุกขสัตว์นะเป็นทุกข์สัตว์นะถูกต้อง มหากุศลทั้งหมดที่เจริญนะเป็นทุกขสัตว์หมดเลยแต่เป็นธรรมที่มีอุปการะมากต่อการตรัสรู้อริยสัตว์นะแต่ทีนี้ว่าพยายามแยกแยะว่าสิ่งที่เราเจริญเนี่ยต้องต้องเป็นไปตามคําสอนอย่างเดียวชอบในมิลินตะปัญหาว่าองค์หนึ่งของไม้ไผ่นะชอบมากองค์หนึ่งของไม้ไผ่คือลู่ตามลมไม้ไผ่เนี่ยเคยเห็นใครเห็นไม้ไผ่ลมพัดหัก บ, บ้าง หายากเต็มทีนะเวนแต่ไม้ผัวนะอันนี้ไม้แบบตรงตรงนนะก็บอกว่าลู่ตามลมตลอดแล้วลมจะพัดมาจากที่ไหนไม้ไผ่ก็ลู่ตามหมดชันใดก็ดีพิกูุทั้งหลายก็พึงเจนเป็นเช่นนั้นควรลู่ตามคําสอนอย่างเดียวอย่างนั้นแท้ไม่ควรขัดต่อคําสอนไปดูในมหานิทานสูตรนะท่านก็ยังว่าอย่างนั้นบอกว่าพระอนุนไม่ควรมีความเห็นที่ที่ขัดแย้งต่อคําสอนขัดแย้งต่อพระพุทธเจ้า อย่างบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าปฏิจจะเป็นของลึกซึ้ง่ะนะพระนนทบอกว่าแหมเหมือนง่ายน ะ, ะนะเพระอย่าอย่าไปว่าอย่างนั้นอย่าไปว่าอย่างนั้นนะไม่ควรมีความเห็นที่ขัดแย้งต่อคำสอนอนะโดยที่สุดแม้แต่พระนนมนะของเราก็สมาทานไว้เลยว่าธํามมังสรนังข้าฉามินี่ก็รวมปริยัตเข้าไว้ด้วยว่าเป็นสาร ะ, ะของเรานะ ทีนี้วั จ, จนถาของคําว่าสัตธรรมะวั จ, จนว จ, จนานี้แปลว่าวั จ, จนววแหวนส่วนใหญ่ก็เป็นพอพานนะนะถ้าววแหวนเป็นพอพานก็อ่านว่าพจะนดพดจะพจนะหรือว จ, จะนะก็สิ่งเดียวกันแปลว่าคําพูดวั จ, จนแปลว่าคําพูดบวกกับอัถฐซึ่งแปลว่าเนื้อความแปลรวมยอดว่าความหมายของคําพูด ความหมายของคําว่าสัตธรรมนี้หมายของว่ายังไงท่านวิเคราะห์ว่าเชื่อว่าพระสัตธรรมพราะอาจว่าเป็นธรรมะของท่านผู้สงบคือสัตว์บรุษทั้งหลายได้แก่พระอริยะบุคคลทั้งหลายานะสัตธรรมแปลว่าธรรมะของพระอริยะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคําว่าสัตธรรมนี้เพราะอาจว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่คือปรากฏอยู่ไม่เหมือนอัตตาที่พวกเดรธีคิดกันซึ่งไม่มีอยู่โดย ปรมัคือไม่มีอยู่โดยความจริงแท้นะเช่นไปคิดว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอัตตาซึ่งความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยคนไปมันก็ไม่มีอยู่จริงอะไรอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสัทธธรรมะพระอาตว่าเป็นธรรมะอันบัณดิตยกย่องคือสรรเสริญแล้วเพราะประกอบด้วยคุณมีความเป็นสวากขาตธรรมเป็นต้นไม่ใช่เป็นธรรมะที่น่าติเตียนโดยแท้เหมือนธรรมะของลัทธิภายนอกฉะนั้น ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะยกย่องได้เลยยกย่องว่ายังไงว่าสวากขาตาธรรมเป็นต้นสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิทโกอกาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจัตังเวทิตาโพวินโยหีเนี่ยนะที่เรายกย่องกันน่ยคือยกย่องว่าธรรมะของสัตว์บรุษนี้ดีจรงิงตรัสไว้ดีแล้วที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่อเห็นได้ด้วยตนเอง ศึกษาได้และปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวแต่บทสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดว่าอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนวินยูชนนี่มีกี่ประเภ ท, เภท 1. อปุคติตันยูเนี่ยนะรู้ได้สองวิปปัญจิตันยูรู้ได้ 3. ในยะบุคคลก็รู้ได้ส่วนปะทะประมะ ก, ก็สะสมอุปนิสัยเพื่อที่จะรู้ต่อไป นะสมมติถ้าเรารู้นะสมมติถ้าเรารู้ว่าชาตินี้ฉันเป็นปะทะ ป, ปรมะแน่นอนยังไงยังไงก็ไม่บรรลุมรรคผลถามว่าถ้ารู้อย่างนี้เราจะเลิกศึกษาหรือว่าจะศึกษาให้มากขึ้นะ น, นะเพราะอะไ ร, น, น, รนั่ น, นะก็บอกว่าขอชาติหน้ากันนะ <c oughs> วันนี้ไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่น <c oughs> ่น ะ, นะถ้ายิ่งรู้ว่าปทา ป, ปราะมะด้วยแล้วยิ่งรีบพากเพียรให้มากเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าปฏิบัติดีก็ยังสุขคติก็ยังหวังได้ถ้าปฏิบัติไม่ดีแปลว่าอบายนี่คือบ้านเราเนี่ยนะพันธะปฏิบัติดีก็ยังเป็นอุปนิสัยพระพุทธเจ้าคงต่อไปก็จะได้ตรัสรู้แต่อย่าเพิ่งท้อใจเลยพระอริะบุคคลตอนนี้มีทุกชั้นเนี่ยนะตั้งแต่ภูมิมะเทวดาขึ้นไปมีพระอริยหมดเลยเนี่ยนะเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมอ่าชั้นภูมิมะเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีไล่ไปเนี่ย มีผ่าริยะอยู่หมดเลยโดยที่สุดแม้แต่พรหมโลกที่พรหมโลกมีพผ่ารหารันสนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะผ่ารหันอยูเยอะไม่ใช่ท่านเป็นพผ่ารหัสแล้วท่านจะนิพพานทันทีเลยท่านอยู่อีกเป็นกลับกับอีกหลายๆกลับเนี่ยนะพระธาตุไปเกิดเป็นพรหมโลกก็ไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านก็ได้อ่านะถือถ้าเป็นในจาตุมเนี่ยนะท้ามหาราชทั้งสี่เป็นพผ่าริยะหมดเลยเนี่ยนะหรือเท้าสักกะเนี่ยนะก็เป็นผ่าริยะผ่าเอ่อ พระราชาหรือนางวิสาขาอยู่ชั้นไหน น, นิมมานารดีอนาถ <c oughs> อนาถชั้นดูสิทธใช่ไหม <c oughs> มันก็มีพระอริยะอยู่แถวนั้นนั่งเยอะแยะไปหมดอ่ะถ้ามีใจสักอย่างก็ไปเรียนต่อได้อยู่แล้วนั่นนะมันชูเลือกเอาเลยนะจะไปเรียนต่อชั้นไหนก็ได้ประการบอกใหม่อย่างน้อยขอดูสิทธก่อนนะนั <c oughs> ่นอ่ะอือก็ไปเรียน น, นะ พี่มันไม่ต้องมีเรื่องอาหารเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะเรียนอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่ไปเที่ยวสวนอย่างเดียวเลยยุ่งเลยนะตั้งความหมายว่าไปเกิดที่นั่นเพื่อจะศึกษาคำสอนนะประกาศผลสอบในเนี้อยงนนการเยได้หรือไม่ได้ก็ติดกับติดกัรู้องต้องไปดูว่ากองเชียร์เขาจะไปว่ายังไงนะ มีกองเชียร์แบบแม่คุณนภาก็ดีนะไปถึงก็แม่พาเจริญพุทธคุณอย่างเดียว <c oughs> ต่อไปหมู่พระอริยสง์บ้างนะว่าคณะนั้นชื่อว่าหมู่เพราะเป็นที่ประชุมแห่งพระอริยบุคคลทั้งหลายและชื่อว่าสูงสุดเพราะประกอบด้วยคุณอันพิเศษมีความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะคณะนี้หรือหมู่นี้เป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีจริงๆถามว่าดียังไง ดีด้วยศีลและทิฏฐิกายวาจาอาชีพท่านดีและความเห็นของท่านก็บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคําว่าหมู่สง์ก็คือหมู่คณะที่เสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิหมายถึงว่าศีลและทิฏฐิของพระโสดาบันเสมอกันโดยอริยมรรคผลพระสกะาธามีก็เสมอกันโดยมรรคผลพระอนาคามีพระอราหันต์ก็ตามพระอรหันต์พระอ ร, ร, ร, ริยะเหล่านั้นเสมอกันด้วยศีลกับทิฏฐิ เท่ากับว่าอริยมรรคของท่านนี้คุณภาพเสมอก น, นันะแต่ว่าในชั้นรายละเอียดอาจจะมีความพิเศษบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ขีดความสา ม, มารถในการละกิเลสละบาปอากุศลไม่มีความต่างกันเลยอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสูงสุดกว่าคณะทั้งหลายหรือในคณะทั้งหลายคือในหมู่เทวดาหมู่มนุษย์เป็นต้นด้วยสา ม, มารถแห่งคณ คือกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดในบรรดากลุ่มทุกๆ ก, กลุ่มว่างั้นเถอเพราะอะไรเพราะท่านเสมอกันด้วยศีลกับทิฏฐิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคนุตตะมังแปลว่าหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุดถ้าย้อนกลับแต่เดิมว่าที่เกิดจากพระสัสธรรมนั น, นะที่เกิดจากพระศาสธรรมสิบนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปพร้อมด้วยพระสัตธรรมและหมู่พระอริยสงฆ์อันสูงสุดเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสัสธรรมะคณุตตมังขออภิวาทซึ่งพระสัมมาสัมพุทธาพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระสัทธรรมและหมู่แห่งพระอริยสงฆ์อันสูงสุดทีนี้คําว่าอภิวาสแปลว่าขอถวายอภิวาสคือถวายบังคมแล้วโดยพิเศษอธิบายว่าการถวายบังคมด้วยกายทวารก็กราบเป็นต้นนะนะ ว่าจีทวารก็คือการกล่าวคํานอบน้อมส่วนมโนทวารก็น้อมนึกด้วยใจโดยเคารพคือโดยเอื้อเฟื้อโดยเว้นจากการไหว้ทั้งหลายมีการไหว้เพราะกลัว น, นะไม่ใช่ไหว้พระรัตนตรัยเพราะกลัวไม่ได้ไหว้เพราะต้องการลาบหรือเพราะท่านมีลาบมากไม่ได้ไหว้เพราะตระกูลว่าท่านตระกูลสูงไม่ได้ไหว้โอ้ท่านนี้พระพฤติ ด, ดีนะแต่ไหว้เพราะว่าท่านมีคุณจริงๆที่เราไหว้ คือหรือไม่ได้ไว้สักแต่ว่ามัน ญ, ญาตกเฉยๆคือบางคนเนี่ยนะว่ายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ายเพราะกลัวบางคนเนี่ยว่ายเพราะว่าท่านมีลาบเยอะเพื่อว่าแล้วจะเราจะได้ลาบมั่งเช่นไหวยพระศรีวลีกันไหมท่านว่าท่านลาบเยอะท่านเราเอามั่งนะนะเลยบูชาพระศรีวลีเป็นการยกใหญ่เลยนะเพื่อจะได้มีลาบ mm hmm. ท่านก็บอก mm hmm. พระมหากัะจายนาสีลาบเยอะนะนั้นก็เลยไปนับถือว่าใครที่จะก่อให้ได้ลาบเยอะที่จริงลืมไปว่าลาบ ้คําว่าเสื่อมลาบก็มาจากคําว่ามีลาบนั่นแหละจึงเสื่อมลาบนั่นนะมียศนั่นแหละจึงเสื่อมยศมีนินทานั่นแหละจึงมีสรรเสริญหรือมีสรรเสริญ น, นั่นแหละที่เปลี่ยนไปเป็นนินทามีความสุขนั่นแหละที่เปลี่ยนไปเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าทําเจริญกุศลหรือการเคารพกราบไหว้ก็อย่าหวังโลกกระทำฝ่ายดีเลยถ้าหวังโลกกระทำฝ่ายดี โลกกระทำฝ่ายเสื่อมหรือฝ่ายเสียก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละถ้าหวังโลกกระทำฝ่ายดีก็ปรารถนาอภิชาที่ใดก็ตามที่มีอภิชาที่นั่นมีโทมานัดไหมไ ม, ไม่พ้นนั่นนะ <c oughs> ทีนี้ภาษิตสังแปลว่าจะ ก, กล่าวอธิบายถึงว่าปรกรณ์ทั้งเจ็ดมีธรรมสังคณีเป็นต้นเชื่อว่าคือพระภิธรรมปิดกชื่อว่าพิธรรม อภิธรรมนี้หมายถึงคำพีทั้งเจัมคำพีโดยวิเคราะห์มีคำเป็นต้นว่าปรกรณ์นี้เป็นที่มีธรรมะอันวิเศษยิ่งโดยความเป็นประมัทอันสําเร็จแล้วโดยประการชนีอัฏฐะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นจึงชื่อว่าอภิธรรมมัถะคือความหมายของอภิธรรมะนะความหมายของอภิธรรมทั้ง7คำพีชื่อว่าอภิธรรมมัถ อภิธรรมะบวกอัฏฐ์เนี่ยนะก็เป็นอภิธรมะธะรมัถะปกรณ์ที่ชื่อว่าอภิธรรมัถสังกะหะเพราะอัฏฐาว่าเป็นที่รวบรวมอัฏฐ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นหรือว่าปรกรณ์เป็นเครื่องรวบรวมอัฏฐ์ที่ตรัสไว้ในพระอภิธรรมหมายก็ว่ารวบรวมสาระของพระอภิธรรมปิดกเอาไว้โดยโย่อเนี่ยนะแต่ไม่สามารถทําได้โดยบริบูรณ์ที่กล่าวว่าบริบูรณ์เนี่ยนะ ผู้ที่จะแสดงอภิธรรมให้บริบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้าแต่ก็สามารถทำได้ตามสติตามกำลังเท่านั้นแหละเนี่ยนะเพราะว่าศาสนานี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่บอกว่าสา ม, มารถรู้ได้โดยสิ้นเชิงเวน้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านอาจารย์ครั้งทำวิธีมีการนอบน้อมพระตนะตรายเป็นต้นซึ่งเป็นนิมิตแห่งประโยชน์ตามประสงค์ก่อนแล้ว บดนี้ท่านจะเริ่มประกรคือคำพยาพิธรรมทสังขะนี้ด้วยมสา ม, มารถแห่งการรวบรวมเนื้อความแห่งพระพิธรรมเหล่าใดเมื่อจะยกอัฐแห่งพระพิธรรมเหล่านั้นขึ้นแสดงโดยย่อก่อนสังเขปคือย่อนะจึงกล่าวว่าตัท ธ, ตธุตาทิธรมัทฐาเนี่ยนะจะตุธาปรมัตตโตซึ่งในคาถานั้นประกอบเนื้อความว่า อัฏฐะแห่งพระอภิธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระอภิธรรมนั้นโดยประการทั้งปวงคือโดยอํานาจแห่งธรรมะทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นและโดยสภาวะแห่งขันเป็นต้นเมื่อว่าโดยประมัติคือโดยอํานาจแห่งประมัติที่ตรัสแล้วเว้นเสียซึ่งสมมติสมมติ น, นะคือโดยที่ไม่กล่าวถึงสมมติสัจจะเลยนะกล่าวเฉพาะที่ส่วนเป็นส่วนประมัติสัจจะไอตัวที่เป็นประมัติสัจจะเนี่ยนะ ถ้าจะว่าไปอ่ะโดยยอ่อมีก็มีอยู่สอย่างคือจิตหนึ่งจิตก็คือวิญญาณขันเจตสิก ค, คือนามขันสมหมายถึงเวทนาสัญญาและสังขารส่วนรูปก็ได้แก่รูปประขันที่ต่างประเภทโดยภูตรูปและอุปาทัยรูปแล้วก็ยังมีนิพพานที่เป็นอสังขตาธรรมที่เป็นอารมณ์ของมรรคและผล ถ้าพูดถึงข้อความในพระพิธรรมปิด ก, ก่อนสักนิดหนึ่งเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าอพิธรรมปิดกนี่แสดงอะไรเนี่ยนะแล้วทำไมท่านจึงมามาย่นย่อมาให้เหลือแค่จิตเจตสิกรูปนิพพานปัญหาสำคัญมากรู้แต่ว่าโดยย่อไอพิาดานไม่รู้ว่าเขาแจกไปยังไง ที่อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยนะพอที่จะมีนิมิตบอกว่าอภิธรรมโดยพิสดารนี่เป็นยังไงแล้วใช่ไหมแยกได้แล้วนะคุณลาวันอภิธรรมโดยพิสดารขึ้นยังไงรู้แต่หลักการนะแต่ประตูจริงๆคืออะไรประตูจริงๆเหรอคะเน้อเดี๋ยวคนอื่นบ้างเดี๋ยวจะจะเสียภูมิทั้งหมดจะเสียนักเรียนในห้องหมดล คุณภากันแล้วกันอันนั่นย่อมาแล้วเห็นไหมกุศลเป็นต้นก็คือกุศลาธรร ม, มาเนี่ยนะ กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากาายาายยตาธรรมาาาา ม, า ม, ามาสุขายาเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาทุกขายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาทุกขามสุขายเวทนายาสัมปยุตตาธรรมมาวิปากาธรรมมาเนาี่ยนะเอ่อไล่ไปอย่างเงี้เรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าโดยพิสดารนะนะเสร็จแล้วก็อันนี้ยังนับประเภทอุเทศอยู่หัวข้อถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าติกะมาติกา นะติกะมาติกาแล้วก็ยังมีทุกะมาติกายเช่อนอ่านะทุกะมาติกาก็พวกจิต น, นะนะจิตตรรมหรือเจตสิกทำหรื อ, อ, น, นะอ น, นะนามรูปพวกนี้นะพวกนี้ก็ยังอยู่ในประเภทของคําว่าธรรมะนะพิสัมภสังขะที่เรียกว่าทุกะมาติกามีทั้งหมดหนึ่งทุกะ น, นะทุกกะมาติกามีหนึ่งทุกกะเนี่ยนะ ตรงนี้เรียกติกะนะยังมีอีกทุกกะมาติกาทุกกะมาติกาติกะมาติกาทีนี้ในแต่ละมาติกาก็ยังมาจำแนกอีกเช่นว่ากุสลาธรร ม, มากุสลาธรร ม, มาก็มาแยกเป็นว่านี้เป็นมหากุศลนะมหากุศลจำแนกเป็นว่าย่อๆหน่อยก็แป รูปาวจรกุศลอีกห้าอรูปาวจรกุศลอีกสี่โลกุตระกุศลอีกอีกสี่เนี่ยนะทีนี้มหากุศลยกมาหนึ่งดวงเน่นะเช่นมหากุศลยกมาดวงที่หนึ่งว่าดวงที่หนึ่งย่อๆมีอะไรโสมนาาัสสาสะหกะตังยานสัมปยุตตังรูปารมณังวาสัทธารมณังวาคันธารมณังวาเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งถ้า ถ้าใครที่ได้เรียนก่อนหน้านี้มานะที่ยกมาให้ให้ดูถึงมหากุศ ล, ลจิตดวงที่หนึ่งที่กล่าวถึงว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้นเนี่ย ย, ยกตัวอย่างดวงที่หนึ่งนะเป็นโสมนัสเนี่ยนะหนึ่งมีอารมณ์หสามารถมีอารมณ์หแล้วก็ที่เป็นกุศลเพราะเป็นไปกับทานศีลและภาวนา ทีนี้ในขณะที่กุศลเกิดประกอบด้วยชุดแรกเรียกว่าภาษะปัญจกะนะมีภาษหาห5เนี่ยนะภาษหาก็คือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาจิตแล้วก็ยังมีฌานอีก5ชาฌาน5ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีตกวิจารเนี่ยนะปีติสุกเอกะขะตาเรียกว่าฌานฌานหาแล้วยังมีอินทรีอีกอินทรีแป สัธววิริยะสติสมาธิปัญญาชีวิตินทรสีโสมนัสินรสีเนี่ยนะก็แล้วก็มีโสมนัสสินสีก็เป็นแปดแล้วก็ยังมีมรักอกีกมรักอีเอกห้าเนี่ยนะมีพละห้ามีมูลสามมูลสาม มีกรรมบทกรรมบทสโลกบาลอีกสองเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นะนะเป็นต้ น, น, ตนถามว่ามีเท่าไหร่ก็มี50กว่าชนิด50กว่าชนิดเนี่ยนะในในจิตหนึ่งดวงเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศเนี่ยองค์จะเทศขึ้นมาอย่างนี้เลยพร้อมทั้งหมดแล้วขยายโดยละเอียดด้วยภาษาเป็นไนะเวทนาเป็นไนะขยายไปทั้งหมดเนี่ยนะ ที่นี้ผู้ที่มีบุญน้อยๆทั้งหลายเนี่ยนะมันจำกว่าจำไม่ไหวแล้วก็มันมีคำที่เหมือนๆกันอะ่ะเช่นเช่นคำว่าในอินซีเนี่ยมีคำว่ามนินอ่ามันินซีอ่ะนะมนินรีที่ในภาษาปัญจกะใช้คำว่าจิตเนี่ยนะเอ๊ะมันต่างกันยังไงตรงนี้หรือว่าในอินซีมีคำว่าปัญญรี เนี่ยนะในมรรคเป็นสัมมาธิทฐิในภะละมีปัญญาภละในมูลเป็นอสัมโมอะอเป็นอะไรอโมหะเนี่ยนะในธรรมคู่คือส ม, มถะวิปัสสนาก็เป็นมีปัสสนาเอ๊มันมันยังไงกันแน่อะนะคือคือ หมายความว่าพอเรียนไปอย่างเงี้ยนะมีตั้ง50กว่าชนิดอ่ะกุศลธรรมเกินกว่า50เนี่ยนะ้าสกว่าเนี่ยมันฟังแล้วมันเข้าใจยากเหลือเกินเนี่ยนะไอ้ความที่ครูอาจารย์ที่ท่านมีความสา ม, มารถในการเข้าใจอภิธรรมท่านก็บอกว่าท่านจะเอาในส่วนที่มันเหมือนกันมาให้ดูนะเอาแต่เนื้อความที่มันเป็นหลัก ถ้าจะว่าไปในจิตหนึ่งดวงกับเจตที่ประกอบมีธรรมะอะไรประกอบบ้างว่าโดยย่อๆมันมีแต่จิตกับเจตสิกนะเจตสิกเหล่านี้มันมีที่ว่าจริงๆแลว้วอ่ะเช่นปัญญาอย่างเดียวอ่ะเวลาเกิดร่วมกับอินทรีย์เรียกปัญญินทรีย์นะเกิดร่วมกับมาเรียกสัมมาทิที่เกิดร่วมกับพละเรียกปัญญาพละเกิดร่วมกับมูลเรียกว่าอมโมหเกิดอยู่กับลุกคนธรรมเรียกว่า วิปัสนาภูมิแต่จริงๆมันก็คือปัญญาอ่ะนะ น, น, นับหนึ่งไปเลยอ่ะนะก็มาใช้วิธีรวบรวมย่อแบบเนี้ยเพื่อที่จะได้ศึกษาอภิธรรมได้เนี่ยนะจับให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมันเหมือนกันอะไรต่างกันแค่ชื่อเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าอ่กล่าวโดยเนื้อความในอภิธรรมมาจากคำว่ากุศลเป็นต้นอ่ะนะก็คือมาติกาทั้งติกะทุกกะมาติกาหรือขันเป็นต้น ถ้าขันก็มีอะไรขันทวิพังโคยตนวิพังโคธาตุวิพังโคสัตจะอินซีอะไรพวกนี้นะไล่มาเรื่อยๆถ้าย่อแยกแจกจำแนกไปหมดแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปแล้วก็ยังมีส่วนที่พ้นจากจิตเจตสิกรูปนั้นคือนิพพานพ้นสาระของสาระหรืออัตถเนือ้อความของของภาพพิธรมก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานท่นก็ว่างัน เพื่อเพื่อที่จะได้เป็นพื้นฐานที่จะสะดวกต่อการศึกษาอภิธรรมปิดกต่อไปเนี่ยนะคำว่าประมาทัซึ่งก็จะได้แยกแยะหรือแสดงในวันเสาร์ต่อไปนะวันเสาร์นี้ก็สมควรกับเวลา